พุทโธพุทด้วยแล้วก็รูจจจ้จิตใจตัวเองอ่ะเป็นเครื่องรู้ไว้แล้วก็รู้จิตรู้จิตใจรู้สึกตัวอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้เห็นจิตกับตัวร for ู้สกัตัวรู้ตัวรู้ไม่ทิ้งไปแต่มันวนเรียนเห็นเป็นวังวนคือการปฏิบัติเรียนวนใช่จริงๆเลยวิธีปฏิบัติถูกต้องแต่ใจเป็นโลกมองเห็นการากปฏิบัติเวียนวนเปนเขาวงกลดปฏิบัติอยู่ในเขาวงกลดคือมันมันวนอยู่ในโลก ค, คือมันมันก็รู้รู้รู้รู้แต่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวาง รู้ทุกอย่างยึถือทุกอย่างวันนี้มันมืนเราไปยึดถือทุกอย่างล า, ยยางบยศอาบสินเงินทองยึดว่าแม่ปี่น้องยึดตนเองมันเลยยึดหมดทุกอย่างอ่ะแต่รู้รู้รู้แต่มันอยู่ในทำการของความยึดนี่แหละคือปัญหาที่อยากไป่สุดเพราะว่ามันรู้อยู่ในทำการความมีคืองานในกรร็คือต้องทําอยู่แนละ้วหลับปกติเนะี่ยแต่ไม่ถึงว่าพระนิพพานเนี่ยคือที่สุดของชีวิต แต่งานนี่ก็คือต้องมาทําอยู่แล้วเพราะว่าต้องทํางานเลี้ยงชีพแต่พนิพพานนี่คือที่สุดของชีวิตะมันจะต้องกลับไปตจงเดินจงก้มหนึ่งเดียวในกาเกี่ยวข้องแวะวุ่นวายกับใครมากเดินจงกรมรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตรู้สึกตั ว, ตวแล้วก็มีพระนิพนนี่ยอยู่ในใจส่วนงานเนี่ยก็ทําเพื่อเลี้ยงชีพแต่การปฏิ บ, บัติน่ะครับทั้งวันทั้งคืนขอให้ใช้ชีวิตอย่างนิพพานคือปฏิบัติให้มากเดินจงกรมไม่มากอย่าใจาไปกเกาะเกี่ยวผูกพัน์ พอเราปฏิบัติในธรรมการความยึดถือเนี่ยมาเลยก์กายเนาะแล้วก็ปฏิบัติไปแต่ก็ยึดถืออยู่อย่าเงี้ยมีการปฏิบัติทำอยู่แต่มีความเป็นอยู่อย่างโลกคือใจก็เป็นโลกมับิดคาราวาสมันยากกว่าพระตรง น, นี้เนี่ยมันพระท่านหมดสินนออ้นแล้วทุกอย่างท่านสละออกมือแล้วทุกอย่างเป็นผู้สละเรือนแล้วออกจากเรือนแล้วแล้วไม่เอาอะไรอีกไม่ส่องสมอะไรอีกพุ่งสูม่มรรคผลที่พานอย่างเดียวอันนั้นนะท่านเลยง่ายแต่ของว่านี่มันเป็นคาราวาสปฏิบัติในธรรมการความนี้ มีพ่อแม่สี่น้องไม่มีครอบครัวก็มีพ่อแม่สี่น้องมีตำแหน่งรับเยอะมีสมบัติสถานมีทรัพย์สินเงินทองมีร่างกายที่ต้องแต่งตัวให้สวยงามเพราะต้องมาทํางานจะต้องดูแลรักษาร่างกายผิวพรรณหน้าตาผมผ้าตรงนี้ท่านเราเนี่ยไม่ได้พิจารณาอให้ดีมันนิดเดียวระหว่างมียึดถือสิ่งที่มีกับมีแล้วไม่ยึดถือสิ่งที่มีการที่ เ, เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าพื้นรองพรม อาหารที่อยู่อาศัยการที่มีพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันมีเพราะความจําเป็นของชีวิตที่มันมีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราใช้มันไปมีมันไปเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับมันอย่างเราลืมเราลืมเลยว่าการแต่งตัวนี่ก็เพียงแต่ ว, ว่าเราแต่งตัวต้องเพราะมีความจําเป็นต้องมาทํางานแต่ไม่ได้หลงกับการแต่งตัวเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เราใส่เพื่อเหมาะสมกับการราับเทรนด์สร์ให้มันดูดี แต่ไม่ใช่หลงกับการแต่งขันกินข้าวแล้วก็กินข้าวเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงพอที่จะบริญิพานได้เนะี่ยพระเาปัจจุบันแต้ไม่ใย่ ว, ว่าเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจที่มีทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้พิจารณานเลยเราเป็นอยู่ใช้ไปโดยที่เพื่อเพลิดเพลินเจริญใจใการอยู่กับพี่ก็เพราะ ว, าว่ามันมีกันมาแล้วก็ต้องดูแลกันแต่เราอยู่กันแบบเป็นพี่น้องจริงๆเนี่ยครับยึดถือกันจริงๆพุทธเจ้าจึงตัดว่าเมื่อใดเนี่ย ใช้ของทุกชนิดแล้วไม่พิจารณาอาบัตถถือว่าเพื่อเพินต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เพื่อความจําเป็นเพียนั้นเองเพื่ออาศัยชั่วคราวจนกว่ารูปที่ผ่านไปแล้วก็คัดขาดไปนิพพานสองขนนิพพานนรติกเลตเรียกว่า ส, าสัพุปาทิเสสานิพพานและนิพพานอีกผลคืออนุปาทิเสสานิพพานตอนแรกเนี่ยมันสิ้นสังขารปงแต่งคือใจและปุงแต่งจิตสื่อเกาะเกี่ยวพวพันเนี่ยมันสิ้ไปขนหนึ่งเรียกว่า ส, าสัพุปาทิเสสานิพพานตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนถึงเกียวความตายอีกขนหนึ่งคือ มันสิ้นจิตปรงแต่งแล้วก็สิ้นกายที่ปงแต่งคือขันธ์หน้าด้วยก็ดับไปเรียกว่าลูกบาศที่เสดสนิพานเป็นซึ่งผลิญิพานกับสนิทไม่มีเศษเหลอือมันของทุกอย่างที่เรามีเรากินเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราอย่าลืมพิจารณาว่าเรามีมันเนี่ยเพื่ออาศัยที่จะบรรลุนิพานในปัจจุบันเราทํางานก็เพื่อให้มีรายได้มาใช้ชีวิตพอเพียงที่จะบรรลุนิพานได้ในปัจจุบันแต่ถ้าเราลืมพิจารณาเราก็เป็นมันเลยอ่ะเราไปใช้มันอยู่กับมัน ใจสิ่งนั้ว่าเพลินไปกับสิ่งที่เราใช้ทํางานแล้วก็เพลินกับงานเพลิินกับราภโยตาแหน่งเพลินกับญาติพี่น้องแล้วก็เพลิินกับสมบัติพุทสถานเราเลยกลายเป็นคนหลงเราต้องบอกว่าเราปฏิบัติขยันมากเลยแต่เราไม่ได้พิจารณาเหล่านี้เลยเราปฏิบัติอยู่ในทรามกลางความมีที่เราคิดถือเดินทางแบบเนี้ยคือวิธีปฏิบัติถูกพุทโธพุทโธพุทโธเราลุยเห็นทุกอย่างตามความปจริงมิตติตื่นอยู่ไม่หลงแต่มันทรามกลางปฏิบัติจะได้ทรามกลางความยึดถือ วนอยู่ในเลขหนึ่งใจไม่ออกไปปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็วนอยู่เนี่ยอยู่ในเลขหนึ่งใจไม่ออกไปแต่ในการปฏิบัติของเธอเนี้ยปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจเธอเนี่ยได้พิจารณาอย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่มีอยู่เพียงเสื้ออาศัยที่จะรรลุนิพพานเท่านั้นถ้าอย่างเนี้ยวางวนอยู่ในเลขหนึ่งหรือในเขาวงกดเนี่ยมันสลายเลยมันก็เลยอยู่ทางเดียวคือทางที่เดินขึ้นสุ่นิพพานมันจึงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่ถ้าใจไม่ปล่อยวางก็ไม่ใช่อีกต้องทั้งวิธีปฏิบัติถูกต้องด้วยใจก็ปล่อยวางด้ยอาม แ, แต่เราปฏิบัติดีใจเราไม่พิจนราเพื่อความปล่อยวางอยู่เรื่อยๆมันอาจโอกาสพลาดได้ก็ต้องไม่ประมาทการใช้ชีวิตทุกอย่างไม่ประมาทถึงจะรอดปลอดภัยจำไว้นะผมไม่อยู่ต้องจำคำสอนเลย